เจ็ดเดือนบรรลุธรรมเดือนที่ห้าวันที่สมถึง9เข้าใจหลักรู้สภาวะธรรมหลังจากฝันว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วฉันก็รู้สึกว่าเข้าใจหลักการเห็นให้เป็นธรรมะมากขึ้นจากเดิมที่เคยพยายามจ้องแบบตั้งใจให้มีอาการเห็นสักแต่ว่าเห็นหรือเห็นเฉพาะเส้นและสีตัดกัน ก็เปลี่ยนมาทำตามหลักที่พระพุทธเจ้าประทานไว้ในมหาสติปทานสูตรคือเห็นด้วยสติรู้ว่าเรากำลังใช้สายตามองอะไรต่างจากมองธรรมดาตรงที่จะสังเกตปฏิกิริยาทางใจดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับใจเมื่อสังเกตจนรู้ชัดในปฏิกิริยาทางใจกระทั่งสามารถเห็นโดยปราศจากปฏิกิริยาเป็นบวกหรือเป็นลบ เมื่อนั้นอาการเห็นสักแต่ว่าเห็นก็เกิดขึ้นเองแต่การเห็นและการได้ยินตามปกติจะไม่ค่อยทำให้เกิดราคะหรือโทสะอันเป็นกิเลสที่ปรากฏตัวชัดเพราะฉะนั้นระหว่างวันธรรมดาควรอยู่กับราวเกาะของสติคือลมหายใจกับอิริยาบถหรือพิจารณากายใจโดยความเป็นขันห้าเกิดดับ ต่อเมื่อตาหรือหูประจวบกับสิ่งเราที่ก่อให้เกิดกิเลสผูกใจจึงค่อยมองโดยความเป็นอายตนะฉันเริ่มรู้สึกถึงความอยากเห็นชัดเจนในเช้าวันหนึ่งขณะจอดรถที่สี่แยกไฟแดงขณะนั้นสติของฉันอยู่กับลมหายใจตามปกติเป็นระดับการรู้ธรรมดาธรรมดาว่าแต่ละขณะกำลังหายใจออกหรือหายใจเข้า เพอร์เอรรถของฉันจอดอยู่ด้านหลังเยื้องขวารถสปอร์ตจากแดนอาทิตย์อุทัยคันหนึ่งทั้งรูปทรงและสีสันโฉบเฉี่ยวสะดุดตายิ่งกว่านั้นคนขับยังเป็นผู้หญิงซึ่งในมุมมองทแยงซ้ายขึ้นไปจากด้านหลังเช่นนั้นฉันเห็นไม่ถนัดว่าหน้าตาเป็นอย่างไรแต่เห็นเขาโครงแล้วอาจจะสวยขณะแห่งความไม่เผอส่งออกนอกเต็มที่ ด้วยสติเกาะอยู่กับฐานคือลมหายใจค่อนข้างดีฉันจึงเห็นสังขารขันคืออาจจะสวยและอยากเห็นข้างหน้าจังที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วณเวลานั้นคือการประชุมเกิดขึ้นพร้อมกันระหว่างการเห็นราคะและความอยากเห็นให้มากยิ่งขึ้นแม้วัตถุก้อนเดียวกันก็มีหลายเหลี่ยมหลายมุมมุมหนึ่งเห็นแล้วพอแต่อีกมุม เห็นแล้วอยากเห็นอีกเหมือนยังไม่ใช่การเห็นที่จบทั้งที่จริงเกิดการเห็นในเหลี่ยมมุมนั้นๆอย่างสมบูรณ์แบบแล้วแต่ใจที่ไม่พอนั่นเองทำให้การเห็นยังไม่จบเห็นความตั้งใจอยากให้ไฟเขียวเร็วๆจะได้เร่งเครื่องแสงขึ้นไปดูหน้าไม่เคยเห็นความทยานอยากเด่นชัดได้ขนาดนั้นมาก่อนทั้งที่เป็นความอยากแบบอ่อนๆแท้ๆ นี่คงเป็นอนิสงส์ที่จเจริญสติไว้ก่อนเกิดราคะเมื่อราคะเกิดจึงเท่าทันและไม่หลงตามเต็มตัวเห็นชัดกระทั่งว่าเมื่ออยากแล้วไม่สมอยากไม่สามารถเห็นทันใจก็เกิดความมืดคลุ้มคล้ายควันไฟเผาญ้าในอกมีความแน่นทึบถ้าราคะอ่อนก็ทึบน้อยถ้าราคะแก่ก็ทึบมาก แต่ถ้ามีสติรู้ตั้งแต่ต้นว่าเกิดราคะเกิดความทยานอยากทั้งราคะและความทยานอยากจะค่อยๆโรยตัวสงบลงโดยไม่ฝืนเพ่งบังคับฉันพิจารณาว่าในสถานการณ์เช่นนี้ทำอย่างไรจะไม่ให้ราคะกําเริบขึ้นอีกก็เห็นคำตอบชัดว่าอย่าไปตามใจกิเลสมันสั่งให้เร่งเครื่องแซงไปดูก็อย่าเร่งมันสั่งให้จดจ่อรอเข้าหันมา ก็อย่าไปจดจอเมื่อไม่เห็นอย่างใจก็เป็นโอกาสให้ดูทุกขเวทนาอันเกิดจากการไม่ได้เห็นสมหวังฉันดูสิ่งตกค้างสุดท้ายของราคะคือความทุกข์ทางใจเมื่อเห็นทุกข์ทางใจเหือดแห้งไปก็กลับมาดูลมหายใจต่อเออก็โล่งอกดีไม่เห็นมีความเก็บกดจุกอกอะไรเลยแค่เห็นให้เป็น ก็ไม่ถูกรูปภายนอกครอบงำได้ง่ายๆแล้วก็ไม่มีความเก็บกดตกค้างอีกด้วยอย่างนี้แหละคือความสมบูรณ์แบบของการรู้อายตนะเรื่องจะไม่ให้เห็นภาพยั่วตายั่วใจอีกคงยากฉันไม่ได้อยู่ป่าแบบรัตุดงได้แต่ทำไว้ในใจว่าจะไม่เห็นแค่รูปภายนอกแต่เห็นปฏิกิริยาทางใจภายในไปด้วย ที่สีแยกไฟแดงเช้านั้นให้ความก้าวหน้ากับฉันอีกระดับหนึ่งแต่ฉันก็ตรหนักว่าความก้าวหน้าระดับนี้เสื่อมถอยได้เพียงแค่พริบตาเดียวที่เผลอปล่อยให้ปฏิกิริยาชอบชังเกิดขึ้นโดยไม่รู้ฉันได้แต่เฝ้าบอกตัวเองว่าถ้าอยากได้มรรคผลก็อย่าเผลอขอเพียงไม่เผลอจะอยู่ป่าหรืออยู่เมืองก็น่าจะพอมีสิทธิ์ลุ้นเหมือนๆกัน บ่ายวันทำงานวันหนึ่งอดีตคู่แข่งผู้ถูกยกระดับให้กลายมาเป็นหัวหน้าของฉันเดินเข้ามาหาและสั่งให้ฟังสองสามเพลงซึ่งคัดไว้เป็นเพลงประกอบโฆษณาสินค้าเขาบอกให้เลือกไว้เพลงหนึ่งอีกเดี๋ยวจะมาเอาคำตอบฉันนั่งฟังทุกเพลงตามคําสั่งใจก็หาแง่มุมต่างๆเพื่อชั่งน้ำหนักทั้งความไพเราะถูกใจตัวเอง ทั้งความเหมาะเจาะกับชิ้นงานรวมทั้งแรงประทะที่คาดว่าจะมีต่อกลุ่มเป้าหมายขณะยังไม่ตัดสินใจหัวหน้าก็เดินเข้ามาทวงคำตอบฉันถอดหูฟังออกแล้วพูดตามความรู้สึกว่าโดยส่วนตัวยังไม่ถูกใจเพลงไหนเลยหัวหน้าฉันโวยทันทีว่าจะบ้าเหรอคนอื่นเขาฟังแล้วเพลาะกันทั้งนั้นมาหาว่าหวยได้ไงแล้วหัวหน้าก็บรรยายเหมือนเล็กเชื่อให้ฟังว่า เพลงไหนมีองค์ประกอบอย่างไรถึงฟังเพราะพูดถึงอารมณ์ที่จะสื่อพูดถึงภาพลักษณ์ที่จะปรากฏทางโทรทัศน์ราวกับฉันเป็นเด็กนักเรียนที่ไม่รู้เรื่อง ร, รู้ราวอะไรฉันฟังเสร็จก็ยกมือเกาหัวแล้วเอนหลังพิงพนักเงียบๆไม่โต้อตอบอะไรสักคำคนในโลกฟังเสียงแล้วจะตัดสินว่าเพราะหรือไม่เพราะสนอหรือไม่สนอ ฟังแล้วก่อจินตนาการไปในทิศทางใดฟังแล้วอยากเสพอารมณ์ชนิดใดที่รับกันฟังแล้วเข้ากันได้กับอัธยาศัยของตนหรือไม่หากใครเข้าใจเรื่องความชอบฟังของกลุ่มเป้าหมายลูกค้าถูกต้องก็มีส่วนทำให้ขายของได้เร็วขึ้นการมีความรู้มากทางศาสตร์และศิลป์เกี่ยวกับจิตวิทยาทางดนตรี อาจส่งเสริมให้ไอเดียทำโฆษณาบันเจิดกว้างไกลแต่ก็ไม่ใช่หลักประกันว่าจะทะลวงถึงใจผู้รับได้แน่นอนร้อยเปอร์เซนต์จินตนาการของมวลชนเป็นเรื่องลึกลับซับซ้อนทำไมยุคหนึ่งชอบอีกยุคกลับไม่ชอบฉันฟังหัวหน้าบรรยายไปด้วยดูใจตัวเองไปด้วยก็เกิดความรู้แจ้งขึ้นประการหนึ่ง ธรรมชาติไม่อนุญาตให้เพลงเพลงหนึ่งมีความเพาะหรือไม่เพาะประกบติดอยู่กับเสียงอย่างตายตัวความเพาะหรือไม่เพาะมีใจเป็นองค์ประกอบสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดนี่เป็นโอกาสที่กรรมจะแสดงตัวได้ตามจังหวะเหมาะสมและนี่คือเหตุผลว่าเหตุใดเพลงเพาะเพาะบางเพลงถึงไม่ดังระดับโลกขณะที่เพลงธรรมดาธรรมดาบางเพลงกลับติดหูข้ามทศวรรษ เมื่อนักดนตรีได้รับกระแสช่วยหนุนจากแรงกรรมให้ดังระดับโลกใจคนฟังจะเปิดรับด้วยความตื่นเต้นรู้สึกสดใหม่หน้าซื้อหามาฟังใครไม่ฟังถือว่าล้าหลังไม่ร่วมสมัยแต่เมื่อกำรรหมดแรงส่งฟังแล้วบางทีจะงงว่าครั้งหนึ่งเคยฮิตติดตลาดตูมตามเข้าไปได้อย่างไรเงียหูตั้งใจเท่าไหร่ก็ไม่คึกคักเหมือนเก่าอีกแล้ว ฉันยิ้มออกมานิดหนึ่งใครว่าคนปฏิบัติธรรมจะก้าวหน้าทางโลกไม่ได้ฉันตรวจย้อนไปในขณะจิตที่ฟังเพลงเมื่อครู่พบว่าฉันฟังด้วยใจของกลุ่มเป้าหมายฉันสามารถสัมผัสกระแสร่วมสมัยในขณะที่หัวหน้าวิเคราะห์อะไรตามความคิดและใจของเขาเองเอาตัวเองเป็นมาตรวัดไปเรื่อยเช่นนี้งานของเขาจะต้องออกมาล้มเหลวเมื่อล้มเหลวครั้งหนึ่ง ยังขาดความเชื่อมั่นไม่มากแต่หลายครั้งเข้าก็กลายเป็นฝังตัวเองอยู่กับแนวทางหรือกระแสความนิยมผิดๆและในที่สุดความน่าเชื่อถือก็จะลดลงไม่เป็นที่ถูกใจของนายใหญ่ไม่เป็นฮีโร่ของลูกน้องอนาคตงอกเงยขึ้นมาจากปัจจุบันและอดีตฉันเห็นอนาคตด้วยวิธีการทำงานโดยเอาใจตัวเองเป็นใหญ่ของหัวหน้าวันนี้ เขาจะถูกบีบให้เปลี่ยนไปทำอย่างอื่นในที่สุดด้วยความเคยชินกับการเห็นจิตตนเองฉันสะดุ้งนิดๆกับการเกิดขึ้นของภาวะที่หยาบและมืดมนลงฉันกำลังสะใจขาดความเมตตาเมื่อเห็นลนักษณะอันเป็นอกุศลชัดโดยไม่พยายามทำอะไรสภาพจิตก็ถูกสติแทรกแทนกลายเป็นความผ่องใสสว่างว่างขึ้นมาในความรู้สึก วันนั้นฉันลองหันกลับมาฟังเพลงโปรดหลังจากที่เลิกเลิกหรือห่างหางไปเส้นานเพลงส่วนใหญ่ก่อจินตนาการขึ้นในใจฉันไม่ได้ทำให้เคลิ้มไม่ได้แต่ยังทำให้เกิดความชอบหรือความชังได้ฉันฟังด้วยใจที่เป็นธรรมคือฟังแล้วปฏิกิริยาจะเกิดเป็นลบหรือเป็นบวกก็ช่างเพียงแต่รับรู้ตามจริงเท่านั้นพอ ถึงจุดของความรับรู้ตามจริงจนเห็นว่าความชอบความชังเกิดแล้วก็ดับไปกับเพลงจิตก็เริ่มรู้สึกว่าเสียงเป็นอนัตตาใจก็เป็นอนัตตาความชอบความชังก็เป็นอนัตตาเพราะไปบังคับให้เพลงจงบรรเลงตลอดไปไม่ได้บังคับใจตัวเองให้ชอบหรือชังไปชั่วฟ้าดินสลายก็ไม่ได้ เมื่อสังเกตภาวะกระทบระหว่างอายตนะมากขึ้นเรื่อยๆฉันก็เริ่มเห็นแยกเป็นชั้นๆว่าฝั่งนี้คือตาเหลือบไปเล็งมองฝั่งโน้นคือรูปวัตถุหรือบุคคลที่ถูกจับจ้องฝั่งนี้คือหูเงียบสดับด้วยความตั้งใจฝั่งโน้นคือเสียงที่พุ่งมากระทบรวมทั้งเห็นปฏิกิริยาทางใจที่ปรากฏคล้ายเปเลวไฟอันเกิดจากการสีกันระหว่างไม้สองข้าง เมื่อสติทำงานเต็มกำลังจนแกร่รอบเข้าสติรู้ลมหายใจหรืออิรยาบทชัดอยู่จากภายในรู้ว่าศีรษะตั้งหรือเอียงรู้ว่าในตาแหลหรือกรอกก็เห็นเป็นขณนะขณะว่าอย่างนี้อายตนะประจวบกันอย่างนี้กิเลสเกิดขึ้นอย่างนี้อายตนะแยกจากกันอย่างนี้กิเลส ด, ดับตาม แต่ถ้าหากมีใจครุ่นคิดถึงภัสสะที่ล่วงไปแล้วกิเลสนั้นก็จะไม่หายไปไหนยังคงคาใจอยู่นั่นเองขึ้นอยู่กับระดับแรงเบาของอาการตรึกนึกถึงภัสสะนั้นๆยิ่งการเห็นแยกเป็นชั้นๆแจ่มชัดเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกว่าปรากฏการทางอายตนะเป็นเพียงอนัตตามากขึ้นเท่านั้นเหลือแต่สติบริสุทธิ์ปราศจากความเห็นอายตนะภายในภายนอกเป็นตัวเป็นตน ค่าคืนวันหนึ่งก่อนนั่งสมาธิฉันเปิดเปิดอ่านพระสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติทางอายตนะก็พบพุทธพจน์สำคัญในอาพาธสูตรที่ทำให้ยิ่งมั่นใจว่าตนเองปฏิบัติมาถูกทางและใกล้ความจริงเข้าไปทุกทีใจความโดยสรุปคือเมื่อพิจารณาเห็นรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่เที่ยง วิญญาณไม่เที่ยงการพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงแห่งอุปาทานขันห้าเหล่านี้เรียกว่าอนิจจสัญญาคือความหมายรู้โดยสำคัญว่ากายใจไม่เที่ยงเมื่อพิจารณาเห็นจักรสุเป็นอนัตตารูปเป็นอนัตตาหูเป็นอนัตตาเสียงเป็นอนัตตาจมูกเป็นอนัตตากลิ่นเป็นอนัตตาลิ้นเป็นอนัตตา รถเป็นอนัตตากายเป็นอนัตตาสิ่งต้องกายเป็นอนัตตาใจเป็นอนัตตาสิ่งกระทบใจเป็นอนัตตาการพิจารณาเห็นโดยความเป็นอนัตตาในอายตนะทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกหกประการเหล่านี้เรียกว่าอนัตตสัญญาคือความหมายรู้โดยสำคัญว่ากายใจไม่ใช่ตัวตนสรุปคือ ขณะสติยังไม่ถูกยกขึ้นตั้งก็ต้องอาศัยราวเกาะของสติเช่นลมหายใจและอิริยาบถไปก่อนถ้าสติดีแล้วแต่ไม่มีเหตุการณ์กระทบเป็นพิเศษก็ดูกายใจโดยความเป็นคันห้าเกิดดับแต่ถ้ามีเครื่องกระทบให้เกิดปฏิกิริยาทางใจเด่นชัดก็ดูโดยความเป็นอายตนะหกไป เมื่อสังเกตอายตนะหกมาเข้าถึงจุดของความจำนานหนึ่งก็เกิดประสบการณ์ทางจิตอีกชนิดที่ไม่เคยเกิดมาก่อนคือครั้งหนึ่งเมื่อหลับตานั่งสมาธิได้นึกถึงความว่างนิ่งบังเกิดความสว่างขึ้นเกือบเต็มรอบแล้วมีคนในบ้านมาเคาะประตูเรียกฉันเห็นอาการนิ่งรู้อยู่กับภาวะของจิตเองไหวกระเพื่อมขึ้นแปลเป็นสภาพรู้เสียง คือมีแต่เสียงกระทบประสาทหูมีแต่สภาพรู้เสียงแต่ไม่มีตัวผู้เป็นเจ้าของเสียงไม่มีตัวผู้เป็นเจ้าของสภาพรู้เสียงภาวะนั้นทำให้ฉันรู้จักวิญญาณขันอันหมายถึงการรู้ชัดแจ่มแจ้งอย่างใดอย่างหนึ่งทางอายตนะทั้งหกเมื่อเดือนก่อนฉันฝึกรู้ขันก็มีเพียงขันสุดท้ายคือวิญญาณนี่แหละที่ยังไม่ได้ดู มาเดือนนี้จึงเห็นว่าเมื่อทราบกระทบผ่านอายตนะใดๆด้วยสภาพรู้ชัดแจ้งหนึ่งเดียวปราศจากอุปาทานในตัวตนเคลือบคลุมภาวะนั่นเองคือการแสดงตัวของวิญญาณนัขันพูดง่ายๆว่าวิญญาณนัขันเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแต่ถูกรู้ไม่ได้ถูกเห็นว่าเกิดดับไม่ได้ทั้งนี้ก็เพราะมีความรู้สึกในตัวตนบังอยู่ หากเหลือแต่ตาเห็นรูปไม่มีตัวเราเห็นรูปหากเหลือแต่หูได้ยินเสียงไม่มีตัวเราได้ยินเสียงเมื่อนั้นธรรมชาติอันพ้นภาวะบุคคลจึงปรากฏให้รู้และเมื่อนั้นจิตย่อมเป็นไทยจากอุปาทานได้ชั่วขณะ